พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าอยากฟังธรรมต้องเคารพธรรม นเดวมมีเครื่องเยาไปนะเอาไปมันก็ไปถิ่มเฉยเฉยอกมัมีเครื่องพอปันพาได้หวีนะเนี่ยก็ใจว่าพาได้หวีไม่ชีขึ้นกันเนะ่เอาได้หีมาถวายวีไม่ชีไม่ชีมสเสีดกันเนะพะเหตุดไดว่ามีผมหรออันนี้กันเนะ่ให้เอ็มพีสาแล้วไม่มีเครื่องฟังบมดถ่ายนะเอาไปั ไ, ไปทิ้งเฉเฉยแล้วกันเทศ ที่อยู่ข้างในเขาก็มีนันมีเล่มเล็กๆ ก, ก็พร้อมกันก็มีคูบาสามองค์ที่ท่านพูดใน mp3 ไม่เหมือนตะกอดในตะกอ่อนพอเทศแล้วก็พูดไปเลยแต่คูบาเสนอมาหลวงพอ่อเห็นด้วยเพราะพวกที่ฟังก็ไม่ต้องค้นคว้าเทศวันที่เท่าไหร่โอกกน้เทศ แต่เราจะย้อนกลับมาอีกเออเทศวันที่เท่านี้หลวงพ่อเทศน่าสนใจภาคปฏิบัติก็จะได้จดไว้แผนที่เท่านี้กันที่เท่านี้ อ, อ่าหลวงพ่อเทศเรื่องจิตภาวนาน่าศึกษาถ้าใครชอบนิทานเออนิทานหลวงเทศกันที่ตอานี้วันที่เท่านี้หลวอองพ่อพูดเรื่องนิทานชาดกเบื่องนิทานน่าสนใจก็ได้จดไว้นะ เวลาเวลาเราฟังไปแล้วก็กฟังผ่านผ่านไปแต่ละครั้งมันก็ผ่านไปเฉยเฉแต่ภาพผังฟังเพื่อการศึกษานะอย่างหลวงพ่อเขาไปอยู่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อไม่ได้นั้นนะเครื่องฟังเทปอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นดุกผู้ดูแลหลวงพ่อฟังศึกษาทุกม้วนที่องค์หลวงตาเทศต่างกลัมต่างวาระที่ผ่านมา กันไหนที่หลวงตาเทศหลวงพ่อจะนำมาฟังฟังจนเข้าใจฟังจนขึ้นใจในการฟังแต่ทุกวันในฟังดูแล้วก็ยังยังจำได้ว่าสมัยหลวงตาเทศเมื่อไหรตรงไหนที่้ผขิตผ่านมาและยังอัดอีกต่างหากท่านองค์ขบวลทีดร่งเรชาวท่านอยากจะได้เ p ็มสาหลวงพ่ออัดเป็นเทปเข้าไป ตั้งสิบเอ็ดหรือสิบสองกล่องอกล่องสิบเอดสิบสองกล่องกล่องหนึ่งมันก็สิบตลับสิบตลับบางตลับก็เทศคนละกันกันบางทีก็ในตลับหนึ่งเทศกันเดียวก็มีเพราะว่าเทศลุงทาเทศยาวนะบางทีชั่วโมงกว่าก็มีตาเทศแต่ลุงพ่อโดยมากจะเทศจะพูดไม่ยาว พ่อเห็นเวลาพูดพูดไปแล้วก็เหลือบตาดูสักครั้งสองครั้งเห็นคนกระดุกกระดิก แ, แสดงว่าใจมันออกแล้วหลวงพ่อก็หาทางลงแล้วถ้าปีนขึ้นต้นไม้ก็งั้นต้องหาวิธีลงแล้วเอหลวงพ่อจะไม่พูดยาวเพ่าะนั้นเทศของหลวงพ่อยนะี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างเว้นเสียจะภาคปฏิบัติถ้าภาคปฏิบัติจิตภาวนาแล้วก็ถ้าไม่จบรถมันหรือว่าไม่จบเรื่องราว ฟังไปแล้วมันก็ครึ่งๆกลางๆมันยังไม่จบเพราะนั้นต้องพูดให้จบในจุดนั้นถ้าเรื่องจิตภาวนาถ้าเรื่องอย่างอื่นนะถ้าเรื่องนิทานก็ต้องพูดให้จบเรื่องนิทานแต่ว่าก่อนที่จะพูดนิทานหรือพูดชาดกหลวงพ่อก็ต้องมองดูแล้วมีเวลาไหมวันนี้ที่จะพูดเรื่องชาดกเรื่องนี้ให้จบได้แต่นี่านดกมันจะยาวหลวงพ่อก็พยายามจะไม่พูดในช่วงนั้น ต้องหาการเวลาใหม่การลเทศะใหม่แต่ถ้าว่ามันจะจบง่ายหลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังในตอนนั้นนี่แหละไม่ใช่ว่าเราจะพูดพร่ำไปเรื่อยอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ใช่เราก็ต้องได้คิดเหมือนกันเหมือนกับ เ, เราจะวานแหน่มันมีปลาไหมมันมีตะนาม ฝนตกใหม่อีกต่างหากแต่น้ํามันเยอะปลาก็ยังไม่มีเพมอยู่ในกลางหมู่บ้านกลางสนามแต่มันน้ํามันขังประะวันฝนตกใหม่ปลูกปลาป้าโอ้เห็นน้ําปลูกปรับมาจะเวียงแหเลยไม่ได้นะเผอๆไปเจอที่ขี่มาก็ขี้หมูไปเจอน้ําอีกต่างหากผลที่สุดล้างแหอยากอีกต่างหากไม่คุ้มค่าในการหว่านมันต้องมีปลาซะก่อน นี่กูเหมือนกันการที่จะพูดจึงไหนตรงไหนอย่างไรเราก็ต้องมองดูแต่คนพอใจไหมทุกคนไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันถ้าให้คนพอใจทุกคนซะก่อนจึงจะเทศจึงจะแสดงธรรมหรือจึงจะพูดเกิดและตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายพระพุทธเจ้าคงไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกเนั้นถ้าคนพอใจซะก่อนธรรมดากิเลสมันก็ต้องต่อต้านต่อต้านธรรม อธรรมต้องต่อ ต, ต้านธรรมธรรมก็ต้องอต่อสู้กับอธรรมกับกิเลสมันเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมดาอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังอาทิสยทานของพระเจ้าปเสนกับกรุงสวัสดีสมัยนั้นพระเจ้าปเสนทาบุญแข่ง ก, กันกับพี่น้องประชาชนบางคนโอ้ยทาบุญแข่งกันไม่ได้บุญหรอกเอออย่าไปพูดเหมือนกับเราต้องแข่งกันหาเงิน ได้เงินไหมการแข่งกันหาเงินได้เงินไหมการหาบุญกูเหมือนกันการแข่งกันทําบุญมันก็ได้บุญวันยังค่ำนั่นแหละการทําความชั่วแข่งกันมันชั่วไหมก็ไม่ต้องพูดถึงชั่วอีกเหมือนกันยิ่งชั่วอีกต่างหากอันนี้ก็เหมือนกันการทําบุญแข่งกันในครั้งพระพุทธเจ้ามีประชาปเสชนกับพี่น้องประชาชนทําบุญแข่งกันวันนี้ ประชาชนทำเอาเต็มที่พวกเราวันปลุงขึ้นมาพญาปสศิษฐ์ทำอีกเต็มที่เหนือกว่าประชาชนแข่งกันไปแข่งกันมาอผลที่สุดพญาปิศิษฐ์ล้าเอพราะจะสู้ประชาชนไม่ได้ประชาชนมันมากกว่าใชแนวความคิดก็มากหลากหลายกว่าพระเจ้าปิศิษฐมีแต่อำนาจบุญวัสนาบุญหนักสักใหญ่ จะแพ้ประชาชนไม่ได้ออดออาาโอ้โหจะเอาอยัางไงสู้ประชาชนไม่ได้ประชาชนเขาเหนือกว่าแหละแต่ทางนางบาลิกาอักกามเฮสีบอกเอ้ยพระองค์จะไปยอมแพ้ได้อย่างไงฮพระองค์มีบุญวาสนาบารมีเอ า, เอาบุญวาสนาบารมีอํานาจวาฏนาที่เขามาช่วยข้าวนี่เอา้าจะทํำยังไงเอ้า ประชาชนเขาไม่มีช้างถึงห้ารอยเชือกหรอกอพระองค์มีช้างถึงห้าร้อเชือกไอช้างแนวหน้าช้างรบช้างเข้าสู่สงครามเอามาเลยให้ถือสเสวตชัดพระสงฆ์ห้ารอองค์เอามา ก, กั้นชัดให้พระฉันจังหันจะรู้หลาโออาคาสิกขนาดไหนงวันนนางมัลลิกาพูดพระเจ้าปเสนโอชาชายๆ เอ่อลล่ยก็ระดมช้างเข้ามาเลให้ถือฉัดถือล่มใหญ่กั้นช้างก็หมอบแล้วก็จับกลมแล้วก็ตั้งอาถนะตรงหน้าช้างพระเจ้าประเสริฐกับถวายพระทหารพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์อีกถึงโอ้โหหรูหราโออาอลังการขนาดไหนเหมือนกันเตอร์ทีนี้ประชาชนโอ้ยอมแพ้เพราะเราไม่มีช้างถึงขนาดนี้นี่ยอมแพ้ อพ ร, ระเจ้าเป็นเสียนกัดนั่นแนหะภาคภูมิใจอย่างมากเพราะงั้นเธอได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงค์ห้าร้อยรูปนะแล้วก็ยังมี เ, เรื่องแขวนไปอีกนะว่าอองค์สุดท้ายคือคืออองค์คริมานบวชมาท่านได้สําเร็จเป็นพระหานแล้วนะได้เป็นพระหานได้ท่านบวชองค์สุดท้ายอทีนี้ไม่มีช้างไม่พอเอยช้างไม่พอ ได้499ตัวได้เองตัวที่500หาที่ไหนก็ไม่เจอเอาที่ไหนต่างขุนศึกอมัดก็บอกว่ามียูวช้างอยู่นีนอยู่ในกรงนั่นแะแต่เป็นช้างที่ดุร้ายนะเออแต่บางทีมันก็ฟังฟังคาคนแต่บางครั้งมันก็ดือ้อไม่ยอมฟังใครเลยตัวนี้ช้างสางสงคลามเวลาเกิดศึกสงครามแล้รกันเนี่ยปล่อยช้างตัวนี้เราไป เป็นช้างนักเลงโตนะมันไม่กลัวใครเลยตับบันเล ย, ย่างั้นเถอะช้างตัวนี้แต่จะเอามาใช้งานระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วเอาเสียงงั้นม<อ>ีทั้ง499องค์แล้วจึงขาดอยู่ตัวเดียวมันดูมันขาดนี่นาเางั้นไปไปเอาบ้าเอี่เขาก็เลยเข้าไปเอาช้างตัวนั้นมาช้างที่ตัวที่มันดุร้ายอยู่ในกรง พอมาจะในช้างตัวนั้นโอ้โหมันน่ารักมากเลยทําดีกว่าตัวอื่นออีกต่างหา ก, กว่างั้นเถอะเ อ, อยกฉัดขึ้นมาแล้วโอ้โหอ่อนน้อมถ่อมตัวคนทั้งหลายไม่ได้มองใครแต่มองแต่ช้างตัวนั้นแล้วกันเถอะโอ้โหทำไมช้างตัวช้างตัวที่วานดุดุทาไมมันเรียบร้อยถึงขนาดนี้วะนี่แหละอันนี้ก็คือมาในปไตยปิฎกอย่างนั้นเขาก็ถามท่านองค์ุลิมานท่านกลัวไหมปะ พระที่มีปุตตชนก็มีนะพระปุตตชนก็มีเหมือนกับทุกวันนะ่ยพระปุตตชนพระารานหะันเนีแยมีองค์ขรรมาท่านกลัวไหมที่ท่านเขาว่าช้างตัว น, นั้นดุนะที่มากั้นชัดให้ท่านองค์ขรรมาบอกว่าคําว่ากล้าก็ดีกลัวก็ดีไม่มีในผมทา่านบนาะกล้าก็ดีกลัวก็ดีไม่มีในผมเออแสดงว่าองค์ขรรมาอวดอุตตริมนุษยธรรมนะั่นเองเขาว่าคำว่ากล้า ก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเขาก็ไปฟ้องร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชายองคุริมานลูกของเราเนี่ยคําว่ากล้ากดีกลัวก็ไม่มีในไม่มีในใจของเขาแล้วเพราะเขาหมดแล้วหมดความกล้าความกลัวแล้วเ อ, อหมดทุกอย่างในใจของเขาใจของเขาบริสุทธิ์แล้วนะเนี่ยจึงเรียนรู้ยอมรับโอองคุริมานเป็นพระอรหันต์อีกองหนึ่งพระพุทธเจา้าพยากรณ์แล้วเนะี่ยนี่แหละจะไี้มาพูดถึง คนมีศรัทธาคนไม่มีศรัทธาเนี่ยพองานเสร็จแล้วเนี่ยงานอลังการถึงขนาดนั้นพระสงฆ์ทั้ง500รพร้อมกับพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประมุขมีช้างทั้ง500้อเชือกออกั้นฉัดมีพี่น้องประชาชนมุงดูเต็มไปหมดในสนามมีเสนาอมัดพร้อมออด้วยยศฐามบรรดาศักดิ์ มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุกทาบุญททานแต่พอพระพุทธเจ้าฉันพรทหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์เดินลงจากอาสนะเลยเดินลงจากธรรมามาตเลยเดินลงจากบรรลังที่พระเยาประเสริฐที่จัดถวายพอเดินลงไปพระองค์ไม่ให้พรกนะไม่ไม่ให้พรไม่อนนโมธนาให้พรเดินลงไปเฉย โอ้พญาปเสนทำอลังการถึงขนาดนั้นโทษพระพุทธเจ้าไม่พอใจกับเรื่องอะไรเนาะปุตชนได้แต่นี่ยพระเจ้าปเสนไม่ใช่พระรหั น, นใช่ไหมไม่ใช่พระโสดาบันอีกต่างหากเพราะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยพระเจ้าปเส น, เนท่านกับน้อยใจน้อยประทยัยทั้งที่เราทําบุญถึงขนาดนี้อลังการถึงขนาดนี้หรูหราโอ้อาถึงขนาดนี้ ทำไมพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ไม่อนุโมทนาให้พรไม่ฉลองเฉลิมเลยโอ้วันนี้นับว่ า, เ, าเป็นวันรีมหาโมพิษกับพร้อมคณะบริวารได้ทําบุญบุญกุศลนี้ต้องมากมายมหาสันทั้งที่พระองค์จะแสดงอนันโมทน า, ายกย่องเชิดชูหรือว่าแสดงความาตามความเป็นจริงว่าบุญกุศลที่ทําข่าวนี้คืออะไรพระเจ้องค์เดินออกจากธรรมาตย นั่นเลยในท่ามกลางประชาชนประชาชนทั้งหลายก็ต่างคนก็ต่างเงียบเลยทีนี้ไม่มีใครถามหรือไปถามอหน้ถามพระพุทธเจ้าใช่ไหมนะพอเสร็จมาก็พระองค์กลับมาวัดปัดป่าเชิดตะวันมหาวิหารพระเจ้าประเสียนเนี่ก็โภมใจอยู่แต่ก็น้อยใจพอพอพระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาให้พรใช่ไหมจากนั้นพอตกตอนเย็นพระเจ้าประเสียนก็เลย เข้ามากราบพระพุทธเจ้าแบบเป็นส่วนตัวนะเข้ามาก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าฆ่าคนทั้งหลายก็สงสัยฆ่าพระองค์เองเองกเอ็เต็มใจสงสัยวัดธรรไม้พระพธองค์ไม่อนุโมทนาให้พรพระพธองค์ลืมหรื อ, อยังไงลืมให้พรหรื อ, อยังไงหรือว่ามีอะไรหนอที่ทําให้พระทธองค์ขัดเคืองพระไทยทําให้พระองค์ไม่สบาย พระไทยที่ข้าพระองค์ทำไปนี่มันผิดพลาดที่ตรงไหนขอพระองค์จงโปรดอาโหสิอภัอยให้ข้าพระองค์ด้วยลักษณะอย่างนั้นแหละ เ, เพราะว่าการเข้าไปพระสงฆ์ใส่เนี่ยพระองค์บอกว่าไม่หมาหาบพพิตรถ้าอาจาจะมาแสดงธรรมในขณะที่ในการฉันพัทหารในวันนี้ตอนเช้าวันนี้ อ, อมัดใหญ่ของพระเจ้าปเสนเนี่ยสีสะจะแตกเป็นเจ็ดภาคเพราะนั้นอาตมา เ, เราตถาคตพร้อมที่จะเมตตากรุณาในอมาตที่เขาจะสีษะจะแตกคือว่าเส้นเลือกจะแตกนะเพราะมันความไม่พอใจอย่างมากเหอนกันนะความโมโหโกธาอย่างมากในใจของอมัดที่การทําบุญ ที่เห็นพระพุทธเจ้าฉันในบรรลังกับพร้อมขอป้าสงตั้ง500องค์เขาไม่พอใจอย่างมากเนื่องพระพุทธเจ้าจแสดงอนุโมธนาให้เขาเขายิ่งไม่พอใจขึ้นมาอีกศีรษะของเทาจิตแตกเป็นเจ็ดภาคในเดียวนะั้นตถาคตมองเห็นแล้วตถาคตจึงไม่อนุโมทนาไม่พูดอะไรขอมหาบุพพิสบายใจได้ พระเจ้าประเสนก็ถามว่าอัมมัดคนไหนพระเจ้าข่าเขามีความเห็นยังไงเขาจึงไม่พอใจพระองค์บอกว่าอมาัมมัดของพระองค์มีอยู่สองคนนะอัมมัดใหญ่ใช่ไหมใครใช่พระเจ้าค่ะอัมมัดคนหนึ่งมีศรัทธาคนนี้ชื่อมีอย่างนี้ศรัทธานแต่อีกคนหนึ่งนะไม่มีศรัทธาคนนี้นะเมื่อเราตถาคตแสดงธรรมเปคนที่ไม่มีศรัทธาคนนี้แหละศีรษะเขาจะแตกเจ็ดภาคอ่ะ เพราะนั้นเราเห็นในมีพระกรุณามีกรุณาต่อเขาจึงไม่แดงธรรมเขามีความเห็นอย่างไรพระเจ้าขา่าะเจ้าเป็นเสียงกันลุกแล้วพระองค์บอกว่าอามาทิสสองคนเนี่ยคนหนึ่งเนีคนที่มีศรัทธาเขาบอกโอ้โหทำไมพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยทำได้อรรังการถึงขนาดนี้แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับ พระคุณนรทมของพระพุทธเจ้าแล้วยังจีบจ้อยถ้าเป็นอย่างเราเราจะทำให้เหนือกว่านี้อีกเออขนาดที่กว่าเธอแต่ต้องให้กว่านี้เพราะทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากพันธมิตรเนี่ยจะทำให้เหนือกว่านี้อีกอันนี้ยังถือยังยังไม่พอใจในความเห็นของเราอันนี้คืออามตา์ที่มีศรัทธาว่าพระเจ้าประเสริฐนีน้อยไปอย อถ้าราคาเป็นพระเจ้าไป่ดินอย่างพระเจ้าประเสนเนี่ยข้าจะทําให้มากกว่า น, นี้ในความคิดแต่เทนี้อัมมัดไม่มีศรัทธาที่คนเทนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหพระเจ้าปรเสิเนี่ําำไมโง่นะักบอล ม, มโง่จริงๆริงทำไมจึงเอาทรัพย์สมบัติไปเลี้ยงสมณะศีร ส, สาโล้นที่มานอนอยู่ในปา่ามาแล้วก็มาทําให้อลังกาณถึงขนาดนี้ทําไมพระเจ้าปเสนโอ้โห น่าจะเอาเงินกําจำนวนนี้ไปเลี้ยงไพรพลทยธาให้เข้มแข็งจัดอาวุธให้เข้มแข็งปกป้องประเทศชาติให้เข้มแข็งประชาชนอยู่เรียนเป็นสุขทวนหนากันอันนี้เอามาปนปือสมณะออ500องค์อวดแขกบ้านแขกเมืองแออวดชาวบ้านชาวเมืองเขาเล่นเงินจำนวนนี้มาจากไหนมาจากพี่น้องประชาชนทาไมโงนะ่นัก มีแต่ว่างโง่นั ก, กว่างั้นเถอะเอ่อมามัดคนนี่นะแต่นี้ พ, พระพุทธองค์ก็มองเห็นแล้วมองเห็นอํามัดคนนี่เออใครๆว่าไม่พอใจอยากมากต่อพระเจ้าปเสนถ้าพระุทธองค์แสดงธรรมเข้าไปเนี่ยส ม, มณเอขึ้นมายกย่องเออพระเจ้าปเสนโงด้วยกันนั่นแหละอย่าว่าอย่างนั้นไปอีกทถนี่ยจะประมาทพระพุทธเจ้าอย่างแรงอีกเถอะเนึ่ยพระพุทธองค์เห็นความครูณาท่านก็ไม่แสดงธรรม ในเมื่อแสดงพระองค์ก็เดินออกมาพระเจ้าประเสนมาถามจากนั้นพระองค์ก็พระเจ้าประเสนพอทราบข่าวทั้งสองคนเนี่ยนะทราบข่าวพระองค์พระเจ้าประเสนก็เรียกประชุมเลยพบองค์ประชุมทางเสนาอามาตย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งหมดมาก็เรียกมาประชุมพร้อมกันพร้อมาน้าพระเจ้าประเสนก็ถามเลยเฮ้ยท่านอามาตยท่านถามอามาตที่มีศรัทธาเนี่ย ท่านคิดยังไงในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลที่ผมที่เราทําไปเมื่อเช้านี่ยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรแบบอาหมัดคนนี้ก็บอกโอ้ข้าพระองค์ได้คิดว่าโอ้ถ้าเป็นสมบัติ ข, ของข้าพระองค์ข้าจะทําให้เหนือกว่านี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกไม่ใช่ของหาได้ไง่ายๆเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ รรอบทุกอย่างข้าพระองค์เองเชื่อมั่นมั่นใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากขาธรรมจริงๆพร้อมที่จะมีอามิชบูชาปฏิบัติบูชาแล้วก็จริงแต่อามิชบูชาเนี่ยต้องมีในพระพุทธเจนะ้านะคนนี้ก็พูดยืนยันอย่างจริงจังและจริงใจท่านก็ถามอมตะกนที่สองอกองอมตที่สองนี่ท่านคิดยังไงเนีเขา กือคนที่มีความคิดไม่ดีมันก็ต้องพูดอๆบอบธรรมดาใช่ไหมล่ะพระเจ้าประเสริฐท่านคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคิดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยพอได้รับคําจากพระพุทธเจ้ามาแล้วอามาตคนนั้นก็ยอมรับว่าได้คิดอย่างนี้จริงพระเจ้าประเสริฐก็บอกว่าไม่ใช่สมบัติของท่านนะเป็นสมบัติของข้าของเราเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองในแผ่นดิน เ, เราได้รับมร ด, ดกมาจากบรรพบุรุษ บรรพบุรุษเป็นผู้ให้มาเราก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษด้วยแต่สำหรับเราเงินเดือนของเราเราก็ให้พวกท่านผมบำเหน็จบำนานอะไรเราก็ไม่ได้ขาดตกปกของหรือใครที่ว่าเราทำให้เป็นธรรมมีไหมพระเจ้าปเสนก็ถามผลที่สูกไกมไม่มีใครที่จะไม่พอใจใช่การบริหารจัดการพระเจ้าเสียงอ้าว แสดงว่าขืนอยู่ไปก็มีแต่ความหายชนะเพราะความเห็นไม่ตรงกันเอาปดออกจากตําแหน่งไปไล่ออกไปจะออกไปต่างประเทศเนี่ยก็เลยปลดออกจาำแนงแล้วคงจะไล่ออกจากกรุงสวรรค์ทีเนี่ยจะไล่จากเมืองไทยกันนู่นหละไปอยู่ในประเทศไหนรอบด้านนะไปไปอยู่ต่างประเทศไปความคิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถ้าขืนคิดอย่างนี้ออกไปเนี่ย บ้านเมืองเดือดร้อนหุ่นวายแน่นอนก็เลยยกอมาดที่มีความเห็นมีศรัทธานั้นขึ้นเป็นอมาดใหญ่ต่อไปนี่แหละสรุปแล้วก็คือในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูไม่ใช่ว่าจะท่านจะแสดงธรรมแล้วจะเป็นที่พออกพอใจกับทุกคู่ทุกคนจะก่อนท่านจึงจะแสดงธรรมไม่ใช่คนที่ต่อต้านก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกัน อันนี้ยกเป็นตัวอย่างเพียงหน่อยเดียวนะ อ, อย่างพวกเดเลฤทธิ์นี่โคลนอต่างหากนะคนนั้นญญหลวงพ่ออินเองหรอหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันไป ส, นาาสถานที่ใดบางทีหลวงพ่อพูดขึ้นมาก็มีคนมาพูดต้อ น, นอพูดคล้ายๆรบกวนเสียงหลวงพ่อพูดอย่างนั้นบางทีหลวงพ่อก็ตวาดอีกเหมือนกันเฮ้ยยังมาพูดแถวนี้ท่านรู้ไหมว่าแถวนี้ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ฟังธรรมการสถานที่รู้จักไหม ท่านไม่รู้จักถึงการสถานที่อย่างนั้นใช่ไหมฮะมาพูดทำไมแถวนี้ฮะหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจะอายเขาไม่อายนะซัดเลยให้คนทั้งหลายได้เห็นเลยว่าเนี่ยโง่ามากแย่มากไม่รู้จักกาละเทศะอีกต่างหากาสถานที่ยังไงควรจะทำยังไงใครว่าทิฏฐิมานะของตนเองออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาหลวงพ่อฟันเลยนะหลวงพ่อก็ไม่กลัวใครมันกันในจุดนั้นนะ ถ้าพอจะลงธรรมะตรงพ่อก็ลงเป็นไรไปอย่างลงตามหมาบวนท่านไปนเทศที่วัดโสกา ร, รามท่านบอกว่าเวลาเราจะแสดงธรรมนะให้ปิดลาโพงซะก่อนทุกลาโพงต้องปิดซะก่อนถ้าจะให้เราเทศนะอพอกาลังจะขึ้นไปลาโพงนะเอารถอยู่ที่นั่นติดที่นั่นไปบอกเลยเ อย่าจะส่งเสียงเงียบซะก่อนเออออนี่ยพอท่านอื่นยังไม่ฟังเออแปลว่าไม่สบโอกาสที่เราจะแสดงที่เราจะเทศให้ฟังจบเท่านี้ก่อนนะถ้าทูตเจ้าอยากจะพูดก็พูดทูตเจ้าอยากจะทำอะไรก็ทำแต่เรื่องแสดงธรรมเราจะไม่แสดงธรรมต่อบุคคลที่ไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความนับถือไม่ให้ความ เชื่อฟังเราจะไม่แสดงธรรมจุดท่านก็ลงจากธรร ม, มาติยเลยจากนั้นคนดังไรกับปะนามมันพูดอย่างไรตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมาพอลวงตามหาบัวจะขึ้นแสดงธรรมเท่านั้นวิ่งไปบอกโคศกใหญ่ตายลุงตามหาบัวไม่เทศนะาจากนั้นก็เลยเป็นประเพณีโด่งดังมาเลยเ อย่างที่เจ้าคุณธรรมะเจดีวัดโพธิสมพรของเหมือนกันเอาในมลอาจารย์มหมาบัวมาเทศเอแต่เวลาเจ้าคุณธรรมะเจดีพูดไปเรือเอเ่อยพวกอเคี้ยวหมากตะบันหมากกระตั้งตะบันหมากก้องไขของเราเอาทั้งเคียวหมากไม่ไดต่ำตะบันหมากไอ้ทุนที่เคี้ยวกับเคี้ยวมีแต่ผัวเคียวหมากเคี้ยวหมากทั้งหมดใช่ไหะน่ะนั่งฟังเทศเจ้าในโบทเวลาอาจารย์มหมาบัวมาไะนะ อย่าไปทําอะไรนะอย่าไปคุยกันนะอย่าไป ต, ตำตะบัดหมากนะให้นั่งเงียบเงียบฟังนะไอ้เจ้าคุณธรรมะใจดีสอนเหมือนกันนะบอกลุกสิธย์ตัวเองแต่ท่านแต่ของท่านนะ่ยท่านใจดีเลยไอ้พวกอยู่ในเมืองอุดรเนะี่ยเข้ามาแต่ตะบันหมากกับตาใครตามเราทั้องเคี่ยวทั้องต้งคุยกันไปด้วยใครจะคุยอะไรไอ้เจ้านนคุณธรรมะใจดีทจนกระทเศษไปเรื่อยของท่านฮะแต่นี้พอหลวงตามหาบัวมานะ่ะ ท่านเจ้าปูนทำอะเจดีท่านก็บอกแล้วจานมหาพวนในถุนะอสูงเจ้าจะไปคุยกันนะอให้ตั้งใจฟังนะจะไปตำตะบันหมากนะเงียบนะอยู่ในความสงบนะอพวกนั้นก็เคยมาอย่างไงใช่ไหมเคยมาอย่างเก่ามันก็ทําอย่างเก่าเลยท่านี่เอท่านตําตะบันหมากท่านก็คุยกันหลวงตายศอย่าไปคุยกันหยุดตะบันหมากหยุดซะก่อนเดี๋ยวฟังซะก่อนเนี่ย เดี๋ยวจะพูดให้ฟังถ้าไม่ฟังไม่ได้นะเราจะไม่พูดนะพูดครั้งหนึ่งก็ยังมีอย่างเก่าพูดครั้งสองอย่างเก่ามันทำไมไม่ฟังไม่อยากจะฟังเหลอไม่อยากจะฟังเอาตำตะบันหมากต่อไปคุยกันต่อไปเดี๋ยวเราจะลงจากธรรมากนหลวงตาก็เลยลงจากธรรมดเข้าไปกราบเจ้าคุณธรรมแล้วก็เปิดแหนบเจ้าคุณธรรมบอกว่าฆ่าหังวาแล้ว เราเตือนแล้วมันไม่ฟังนี่ยหอาจารย์มหาบัวเป็นอย่างนี้แหละสู้เจ้าจงฟังไว้จําไว้นะบัด น, นี้นะ <c oughs> นี่แหละหลวงตาก็เคยทํามาแล้วต่อหน้าพราะอุปัชฌาย์ต่างหากเพราะฉะนั้นคําว่าทำคํานี้แนะ่ละคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนเนะี่ยต้องยืนยจุดๆุนั้นจะไปเกลียนใจใครให้นั้นหลวงพ่อเองนะานอาจานยูดเออพี่น้องนะเนี่ยอ่อนๆนะ จะไปถ่ายรูปนะถ่ายรูปที่มีแฝดนะหยุดนะจะไปส่งเสียงนะปิดโทรศัพท์ก่อนนะหลวงพ่อจะบอกถ้ามันไม่ฟังพูดแล้วไม่ฟังเเราก็รีบลงจากธรรมะเถ้าสอนเขาไม่ได้ก็สอนตอนเองนะมันง่ายกว่าไม่ใช่เหรออยากพูดทำไมพูดไปเพื่ออะไรต้องการอะไรเนี่ยเนี่แหละมันธรรมะมันมีขั้นตอนอย่างนั้นนะ พวกเรานะ่ยสรุปแล้วให้พวกเรานะลูกสิทธ์หลวงพ่ออินนะไปที่ไหนให้รู้จักกาละเทศการสถานที่บุคคลไม่ใช่ว่าไปที่ไหนก็พรามไปเรื่อยทําท่าอวดขี้ฟันไปเรื่อยโอดขี้เธอไปเลยโอดความโง่ไปเลยตัวเองอวดฉลาดนั่นแหละว่าฉลาดมันไม่ใช่อวดฉลาดอวดความอวดความโง่ของตนเองเพราะนั้นอย่ามีนะไปณสถานที่ใดให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้าเป็นหมาก็ให้งับหางไว้ก่อนถ้ามีจังหวะตึงจะยกหางยังค่อยยกใช่ไหมถ้าหญิงเขี้ยวก็หญิงเขี้ยวใช่ไหมปุบ ป, ปับไปหาหญิงเเขี้ยวมูเขาลุมกันต า, ต, าตายตายต่างหากแผลเหวอะหวะไปหมดใช่ไหมแล้วก็มาบ่นให้หลวงพ่ออินฟังเถอโอ้หลวงพ่ออินคนอย่างนั้นปียงี้เปียกงี้ตัวเองห่างโง่หลวงพ่อก็จะว่ายอย่างงั้นอีกเถอะเนี่ยวันนั้นพวกเรานะ่ะฟังฟังเอาไว้หลวงพ่อเนี่สอนเน้นแนว แนวความคิดมากหลากหลายามีทั้งเปรียบเทียบให้ฟังด้วยในครั้งพุทธกาลด้วยในครั้งนี้ด้วย เ, เราลองไปนัดสถานที่ใดเราต้องรู้จักการสถานที่บุคคลอัตถันยุตตาอัตถันยุตตาปริสันยุตต า, าปุกระประโรปรันยุตตาเนี่ยพวกเราต้องศึกษาให้รู้จักตนให้รู้จักประมาณตนให้รู้จักชุมชน ให้รู้จักผู้ที่มาเกี่ยวข้องการนิควรทำยังกาละเทศกาการสถานที่บุคคลควรจะทำอย่างไรในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวไว้ทั้งหมดนะตอนนี้ไปรับพรอนโมทนาให้พร